ฝึกให้มีสตินะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติแล้วก็กุศลทั้งหลายไม่มีจิตที่เป็นกุศลทุกดวงต้องประกอบด้วยสติไม่ใช่ประกอบด้วยสมาธินะสมาธิจิตอกุศลก็มีสมาธิสติเนี่ยเกิดกาจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นจิตดวงใดไม่มีสติ จิตดวงนั้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่มหากุศ ล, ลจิตยิ่ยสติเลยจําเป็นมากต้องฝึกขึ้นมาสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นแค่ตัวรู้ทันเหมือนเป็นยามมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาสติเป็นคนรู้ทันเหมือนยามเฝ้าบ้านร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทัน ไม่เหมือนปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาก็เข้าใจ่ร่างกายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทันเจ่นใจมันโกรธขึ้นมานะสติรู้ทันปัญญาก็เข้าใจความโกรธก็ไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่เราด้วยมันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกปัญญานะเห็นไตรรักษณ์ถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับสติเสมอนะจะมีปัญญาเนี่ยต้องมีสติแต่มีสติไม่จำเป็นต้องมีปัญญา เพราะว่าจิตที่เป็นกุศลนี่มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกุศลเฉยๆไม่มีปัญญากลุ่มหนึ่งเป็นกุศลแล้วมีปัญญาด้วยนะั่นก่อนที่จะเกิดปัญญาได้นะต้องฝึกให้มีสติก่อนหรือก่อนจะมีศีลก็ต้องมีสตนะิก่อนจะมีสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องมีสติครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาสติ จำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นตลอดปุถุชนจเจริญสติเนื้อทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจถ้าอย่างว่นเราขับรถไม่ตกถนนมันมีสติอะไรเงี้ยไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นตัวรู้กายรู้ใจปุถุชนเนี่ยทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติ แล้วก็เพื่อให้เห็นความจริงนะเบื้องต้นของรูปนามว่าไม่มีตัวมีตนมีสภาวะแต่ไม่มีตัวตนในปุถุชนทําสติปัฏฐานนะเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็พ้นสภาพปุถุชนเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบัตเรีว่าพระเสขบุคคลเสขบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่โสดาสกทาคานาคาพวกนี้ก็จเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้ความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนเห็นความจริงว่ารูปนามขันห้าที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วแท้จริงเป็นตัวทุกข์ดังนั้นพระโสดาสกทาคาพระนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งในกองทุกข์หรอก ต้อมาเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปจนเห็นความจริงนะถึงจุดหนึง่งกายนี้ถูกรวนรุนใจนี้ถูกรวนรุ น, น, น, นเห็นตรงนี้เป็นพระอราหันต์เป็นพระอราหันต์แล้วก็เจริญสติปัฏฐานอีกเจริญทำอะไรเจริญเป็นเครื่องอยู่ดีกว่าไปอยู่กับเรื่องโล ก, โลกเล่นลน์เล่นเฟซบุ๊กเลยพระอราหันต์ไม่ไปเล่นหรอกเนอ เวลาที่พวกเราเจริญสติปัฏฐานนะถ้าไม่ใช่พระลนะหันเนี่ยจิตกับขันเนี่ยมักจะรวมกันแต่พระละหาันเนี่ยเจริญสติปัฏฐานจิตพากจากขันไม่ได้ฝึกจากสติปัฏฐานเพื่อให้จิตปล่อยวางขันแล้วนะจิตมันแยกจากขันอยู่แล้ว <z ap itty> เวลาท่านเจริญสติปัฏฐานนะท่านเห็นจิตพากออกจากขันมันไม่เกาะกัน อ, อ, อยู่แล้วลนะ่ะอยู่แล้วสบายเป็นเครื่องอยู่ เวลาดูขันไปเห็นขันทํางานไปจิตไม่เกี่ยวข้องทุกอยู่ที่ขันอย่างทุกอยู่ที่ร่างกายไม่เข้ามาที่จิตทําเป็นแค่เครื่องอยู่เท่านั้นส่วนพวกเราต้องทําเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกคนละระดับกันความรู้ถูกเข้าใจถูกเบื้องต้นคือเห็นว่าขันห้ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลย ต้องการมุ่งมาตรงนี้ก่อนความไม่มีตัวเรานะความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกขอยู่ที่ขันไม่ใช่อยู่ที่เราใครแก่รูปมันแก่ใครเจ็บรูปมันเจ็บใครตายรูปมันตายอะไรพลดัดพลากจากสิ่งที่รักอะไรเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรไม่สมปรารถนาแล้วมีความทุกข์ก็จิตใจเป็นคนพลดัดพลากนะอย่างใครเคยพ่อแม่ตาย พอแม่ตายรู้สึกพลัดพรากนะใจยังปูกพันอยู่นะรู้สึกเหมือนพ่อแม่ยังอยู่ยากรู้สึกเนี่ยตัวที่ให้ความรู้สึกพลัดพรากนะคือตัวใจใจนี่เองตัวอยู่ไกลใจอยู่ด้วยกันนะไม่รู้สึกพลัดพรากอยู่บ้านเดียวกันนะใจพลัดพรากก็มีนะมองกันแล้วเหมือนเหมือนเห็นโตะเห็นโต้าอี้พลัดพรากกันแล้วนะ อะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายอะไรเจอกับสิ่งที่ไม่รักอะไรพลัดพลากจากสิ่งที่รักอะไรไม่สมปรารถนาใจมันเป็นคนทำนะไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะไม่มีเราพระโสดาบันจะเห็นว่าขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเห็นการกระทําของขันห้าแต่ไม่มีเราผู้กระทํา นะขันมันกระทำเช่นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจะรู้สึกอย่างนี้เลยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่มีเราที่ปัญญาเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อ น, นั้นทุกเนี่ยภูมิธรรมอย่างนี้ถ้าภูมิธรรมปัญญาขั้นสู ง, งบรรลุพระอรหรันต จะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตจะพ้นจากทุกข์พ้นจากขันไม่ยึดถืออีกเนี่ยปัญญามันเป็นขั้นๆไปนะเบื้องต้นเราอย่าเพิ่งเอาปัญญาขั้นสูงเอาปัญญาขั้นต้นก่อนดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆจนกระทั่งมันเห็นความจริงไอ้ตัวที่ทําอยู่ไม่ใช่เราหรอก เช่นเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นรู้มันโกรธได้เองมันโกรธขึ้นมาเองนะมันโลบขึ้นมาได้เองมันหลงได้เองมันสงบได้เองมันฟุ้งซ่านได้เองมันสุกมันทุกข์ก็สั่งมันไม่ได้มันขึ้นมาเองเนี่ยดูไปเรื่อยเห็นของจริงดูร่างกายก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เราหรอกเนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะเรียกว่าทำวิปัสสนา หรือว่าเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะจุดแรกต้องมีสติก่อนแล้วค่อยไปเดินปัญญานะมีสติแล้วก็ฝึกนะให้มีศีลให้มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วไปเดินปัญญาปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นของจิตเองเราสั่งไม่ได้หรอกทำไงให้เกิดสติ สติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีรูปธรรมนำมาทำอะไรเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตใจทันทีที่สติเกิดนะถ้าจิตใจเราชั่วอยู่นะความชั่วจะดับทันทีเลยทันทีที่สติเกิดจิตใจจะเกิดกุศลทันทีเลยเนี่ยสติเป็นตัวรักษาจิตใจเรานะ อะไรทําให้สติเกิดการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินิภาษามันโบราณนิดนึงคือถ้าเราหันดูสภาวะบ่อยๆคำว่าสภาวะนะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นเองสิ่งที่คิดขึ้นเองเรียกว่าสมมุติบัญญัติเป็นบัญญัติสิ่งที่เรียกสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมนิพานก็เป็นสภาวะแต่ว่าไม่ใช่ พวกเราจะไปรู้ไปเห็นตอนนี้เอามาทำวิปัสสนาไม่ได้นิพพานสิ่งที่เอามาสภาวะที่เอามาใช้ทำวิปนะัสสนาคือรูปกนันนำกายกระใจพูดภาษาไทยนะแต่มันไม่ตรงกับคำว่ารูปนำแท้ๆหรอกอนุโลมเอาไปกอนค่อยๆฝึกนะวิธีให้สติเกิดค่อยรู้รู้ทันสภาวะบ่อยๆพอจิตจำสภาวะได้แม่นแล้ว สติจะเกิดเองแต่เรามีหน้าที่ทําเหตุของมันเราอยากให้มีสติไม่ใช่สั่งให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องทําเหตุของสติอยากจะอิ่มก็ต้องทําเหตุให้อิ่มไปกินข้าวอะไรเงี้ยเหนื่อยต้องทําเหตุให้หายเหนื่อยไปนอนอะไรเงี้ยพักผ่อนต้องทําที่เหตุไม่ทําที่ผล เหตุสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นการจำได้แม่นเกิดจากอะไรเกิดจะเห็นบ่อยๆอย่างเราเจอคนคนหนึ่งนะเจอหน้าทุกวันเลยจำแม่นพอเขาหายไป20ปีจำไม่แม่นและ้ะมานึกไม่ออกเลยขน า, า, าดญาติพี่น้องกันนะเห็นหน้าเราจจำไม่ได้แล้วหน้าตามันไม่เหมือนเดิมและนา น, นานๆเห็นทีก็จาไม่แม่น เห็นบ่อ ย, อยๆก็จําแม่นหลักเท่านี้เองจะให้สติเกิดนะดูสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองมันจําได้แม่นจะจําได้แม่นสติเกิดเอง mm. คนไหนที่โมโหคอยรู้ทันเวลาใจเป็นโมโหโมโหขึ้นมารู้ทันโมโหขึ้นมารู้ทั น, น mm. วันๆเนืองโมโหเป็นพันๆครั้งตามองเห็นรูปผู้โมโหหูได้ยินเสียงก็โมโห จมูกได้กลิ่นล้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็โมโหโมโหไปหมดเนี่ยคนที่ขี้มโมโหนะขี้โกรธ่อยรู้ทันใจที่โกรธไหมใช่หลักที่พระเจ้าสอนดูครัตพิสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจะเห็นจิตเป็นโกรธแล้วมันก็หายมันโกรธแล้วมันก็หายฝึกกันเดียวก็พอไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกคนไหนขี้โลคเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะ อยากไปเรื่อยๆรู้ทันใจที่อยากเจอสาวสวยก็อยากจีบนะเจอคนนู้นก็อยากอย่างนี้เจอนี่ก็อยากเนี้ยพวกโลภมากโลภมากก็รู้ทันใจที่โลภดูครับพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโลภะให้รู้ว่ามีโลภะจิตไม่มีโลภะรู้ว่าไม่มีโลภะไม่มีราคะโลภะราคะพวกเดียวกัน ดูของเราบ่อยๆคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็ดูจิตที่โลภกับจิตไม่โลภนะคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็ดูไปจิตฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิ ด, ค, ดนะคอยรู้ทันอย่างนั้นรู้บ่อยๆต่อไปจิตจะจําแม่นจําหน้าตาความโกรธได้พราะความโกรธผุดขึ้นมานะสติรู้ทันทันดีเลยว่าความโกรธผุดขึ้นมาแนละ้หัดใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะ เสติยังไม่เก่งอาจดูความโกรธไปเรื่อยๆต่อไปแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วำคาญ น, นีดเดี๋ยวก็เห็นแล้วนี่โทสะเหมือนกันนี่สติมันจะไวขึ้นไวขึ้นนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจโทสะแปลกปลอมเข้ามาในใจทีแรกต้องโทสะแรงๆถึงจะเห็นอาจดูล่อยๆต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นล้เนี่ยสติมันไวขึ้นไวขึ้นฝึกนะจนมันอัตโนมัติ ไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รูนะ้ต่อไปมันจะเห็นไม่ใช่แค่ว่าอย่างเริ่มต้นดูโทรศัพ์บ่อยๆนะต่อไปตัวอื่นมันก็เห็นด้วยดูตัวหนึ่งเป็นก็จะดูตัวอื่นเป็นด้วยเพราะดูแบบเดียวกันงนะั้นเราเบือ้องต้นนะจะฝึกสติคอยรู้ทันจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปด้วยนะจิตใจโลภเขารู้จิตใจไม่โลภเขารู้จิตใจโกรธเขรู้จิตใจไม่โกรธเขรู้ฟุ้งซ่านเขารู้รหดหู่เขรู้นะ สงบกรู้ไหลออกไปก็รู้ฝึกไปเอาสักตัวหนึ่งเอาสักคู่หนึ่งคนไหนขี้โกรธก็ ด, ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นหลักคนไหนขี้รอบเพื่อจิตรอบจิตไม่รอบเป็นหลักอะไรอย่างนี้นดูตัวนี้หรือดูตัวนี้ไม่ชำนาญไม่ชอบไม่ชอบดูอย่างอื่นก็ได้ในใจเราไม่ใช่แค่มีแต่กิเลสเมื่ อ, อไหร่ล่ะแต่กุศลไม่ค่อยแนะนำให้ดูนะเพราะไม่ค่อยมีหรอก นานๆเกิดทีเกิดมากอากุศลมันจะโดดเด่นดูกายได้ไหมดูกายก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้ทันว่าร่างกายกําลังหายใจออกคอยรู้อยู่รู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายหายใจเข้ารู้เฉยๆไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารอะไรรู้สึกไปเรื่อยภาษาไทยคือรู้สึกรู้สึกเอารู้สึกอยู่ในกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกาย เกา่าเห็นร่างกา ย, ยกหาว เ, เห็นร่างกายพยักหน้าเห็นไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนต่อไปพอร่างกายขยับปับนะ๊บเนี่ยสติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดสติก็เกิดเองหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะเจอหลวงพ่อเทียนเทียนกํนลาลังสอนโยมขยับท่านกำบรรยายไปขยับไปโอ้จิตหลวงพ่อเทียนกับร่างกายมันคุลา อ, อันกันนะ เดีพระเทียนขยับเข่งพวกที่มาหัดเรียนของพวกหัดใหม่มีสองจำพวกพวกหนึ่งนั่งคิดเฮ้ท่านี้แล้วต่อไปท่าอะไรพระงอ๋อท่านี้ท่านี้นี่อะไรอีกเอออย่างนี้พวกนี้คิดลูกเดียวเลยคิดกระบวนท่าอีกพวกหนึ่งฝึกจนชํานาญแล้วจิตสงบหยุดจิตอยู่ที่มือกระดกกระดิกเนี่ยรู้หมดเลย <c oughs> อีกพวกหนึ่ง ขยับชำนานมากเหมือนกันขยับจนไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะไม่อยู่ที่มือด้วยออกไปนอกวัดเลยห <c oughs> นีไปคิดเรื่องอื่นชมนกชมไม้นกมาแล้วมือนี่ขยับถูกเป๊ะเลยนะเออเขาไปขยับด้วยไขยสันหลังขยับด้วยไขยสันหลังแล้วมันชำนาน <c oughs> เล้วดูโอ้หลวงพ่อเตียนขยับแล้วรู้สึกเอาบ้างสิไม่เข้าไปนั่งกเขาหอกไปนั่งใต้ต้นไม้ ขยับแล้วรู้สึกแต่แหมตั้ง14จังหวะมั้งทำไม่ถูกอะ่ะแค่ท่านี้เต่าอะไรอะไรไนเะอยกยกงุญหญนหะงิดแล้วหลวงพ่อเป็นพวกโทสาจริตนะอะไรกระบวนท่าที่เยอะเกินไปนี่ไม่ชอบเลยนะต้องง่ายๆนะต้องง่ายๆต้องสบายๆอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะไม่เอารำคาญงี้เราทำไงดีเอาแค่นี้ละมีอยู่ สองท่าท่านี้กับท่านี้โอของท่านตั้ง14จังหวะแล้เอาสองอันเนี้ยขยับขยับขยับแล้วก็พยายามรู้สึกตัวเอาอย่างท่านท่านท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้นะอีกไม่กี่วันหรอกเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนคนหนึ่งมันเดินมาไอคนเนี้ยไม่เจอนานละดีใจดีใจไม่รู้ว่าดีใจนะขณะนั้นขาดสติก้าวเท้าไป ก้<ท>าเ<ว>ท้าจะข้ามถนนพอเทา้าเริ่มเคลื่อนท่านะสติเกิดเลยทําไมสติเกิดได้เองเราเคยขยับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเม่อหลวงพ่อเตียนสอนนะถ้าเาารียกเขย่าธาตุรู้เคลื่อนไหวนะเรียกเขย่าธาตุรู้คือปลุกความรู้สึกตัวนั่นเองคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้รวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวให้นิ่งให้สงบนะเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึก อเราชินที่จะเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเนี่ยอวัยวะอันอื่นเคลื่อนไหวไม่ต้องมือหรอกเท้าเคลื่อนไหวสติก็เกิดเหมือนกันนะเั้นต้องหัดดูซ้ําๆนะดูแล้วดูอีกเดี๋ยวสติจะเกิดเองดูกายก็ได้ขยับแค่นี้ยัางลาคาญอย่างนี้ก็ได้แค่นี้น้อยไปนะบัญญัติท่าเองเลยร้อยกระบวนท่า น, นี่น้ออย่างนี้นะอ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยต่อไปสติเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะสติเกิดเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเดี๋ยวสติเกิดเองเอาอะไรก็ได้ถนัดกายใช้กายไว้เห็นกายเคลื่อนไหวไม่ชอบกายดูจิตไปจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวก็ไม่โลภดูจิตเคลื่อนไหวต่อไปสติก็เกิดเองเหมือนกัน พอได้สติแล้วเนี่ยก็มาพัฒนาให้เกิดศีลเกิดสมาธิที่ถูกต้องเกิดปัญญาสังเกตไหมสมาธิหลวงพ่อจะต้องมีคาว่าที่ถูกต้องด้วยเพราะสมาธิที่ผิดมีส่วนปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยมันถูกอยู่แล้วละแล้วมีปัญญาก็ถูกต้องลแต่สมาธิเนี่ยอาจจะเป็นสมาธิที่ไปเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้สมาธิมีหลายชนิดมากเลยวิธีที่จะให้มีศีลนะ ถ้าเราฝึกไปจนสติมันเกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้ทันอะไรเงี้ยต่อไปถ้ากิเลสโลบโกรดหลงเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะโลบโกรดหลงจะดับงั้นไอตอนที่เราฝึกเนี่ยนะตอนที่เราฝึกดูจิตโกรธแล้วก็จิตก็หายโกรธโกรธแล้วก็หายโกรธตรงนั้นน่ะศีลมันเริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตรงที่รู้กายเนี่ยศีลยังไม่เกิดอ่ะแต่ตรงที่มันรู้ทันจิต จิตมีราคาขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสารู้ทันราคาโทสัมดับในจิตฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านมันดับเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำนะศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสเป็นครอบงำอย่างไปฆ่าเขาไปตีเขาไปปล้นเขาอนะไรเนี่ยกิเลสครอบงำทั้งนั้นเป็นชั่วเขากิเลสครอบงำโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนกิเลสครอบงำทั้งนั้นเลย บางทีเราไปแย่เพื่อนเราอําเพื่อนใครเคยเล่นอําเพื่อนไหมอําหลอกๆมันะ่ะพูดๆอะไรให้มันง ง, งๆแบบผีอํานะอนนี้คนเลยอําบ่อยกว่าผีผีนานๆอําจริงคนมันอํากันทั้งวันเลยนะบางทีศีลเขาดังพลอยนะดังพลอยทําให้เขาสำคัญผิดถ้าเรารู้ทันกิเลสนะ กิเลส อ, อะไรเกิดรู้ทันสิที่เกิดขึ้นอาศัยสติอีกเละรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ไม่เคลื่อนเรียกว่ามีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งๆ น, น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวเอาสติจับไว้ที่อารมณ์อันเดียวอันนั้นทําสมาธิชนิดพักผ่อนให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวเช่นให้สติไปจ่ออยู่กับอารมณ์หายใจ สติไปจออยู่กับท้องอะไรเงี้ยจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยอยู่ที่ลมอยู่ที่ท้องนี่เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอยู่ในลมมันเดียวนะึก อ, อารมณูฟนิชานใช้ทําสมถะเฉยๆสมาธิอีกอย่างหนึ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่วันวันหนึ่งจิตหนีไปคิดบ่อยมากเลยหลวงพ่อจะพาดูจิตที่หนีไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราว แล้วห้ามพวกเราคิดนะลองดูห้ามคิดนะคิดไหม <c ười> คิดนะ <c ười> คิดได้เองเห็นไหมจิตมันหนีไปคิดได้เองเนี่ยหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะหัดรู้จิตที่มันหนีไปคิดได้เองเนี่ยรู่มบ่อยๆสมาธิตัวจริงจะเกิดขึ้นเนี่ยเคล็ดลับของสมาธินะหลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับการฝึกสมาธิยี่สิบสอปี ได้เคล็ดลับอันนี้มาได้มาตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์บางองค์หลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนี่แหละจิตนี้ไปคิดเรารู้หลวงพ่อเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูอะไรใช่ไหมรู้เหมือนแมว เ, ออเนี่ยพอเรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดท่านบอกอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อเทียนใช้ได้เลยล่ะ หลวงปู่ดูลยก็สอนดีคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงว่าอย่าไปห้ามความคิดนะจิตมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดในขณะที่คิดเนี่ยจิตมันจะหลงไปขณะที่รู้ว่าจิตมันหลงไปนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นยังตัวนี้ตัวสําคัญนี่คือเคล็ดของการที่จะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะเคล็ดลับของการฝึกสมาธิที่ถูกต้องคือมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะทดสอบจิตที่เคลื่อนบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นให้ทุกคนดูจิตตอนนี้ดูจิตเลยเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนออกไปหาเคลื่อนไปหาว่าจิตอยู่ไหนวะเที่ยวไปหาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาใส่ไปส่มาเห็นไหมถ้าหาไปเจออะไรถูกใจแล้วก็จับตรงนี้ตรงนี้เราว่าจิตจริงไม่ใช่หรอกไปเพยงอย่างอื่นนะ เนี่ยจิตมันสายนะจิตมันสายจิตมันเที่ยวแสวงหาจิตมันเคลื่อนไหวรู้บ่อยๆรู้มันเข้าไปจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บฝึกแปะเคลื่อนไปคิดรู้นะกระทั่งจะดูจิตจิตยังเคลื่อนไปดูเลยเนี่ยหลวงพ่อองค์เนี้ท่านมาเรียนนานที่แรกท่านภาวนาไม่เป็นแต่ท่านก็ท้อทนนะท่านมาฟังทุกวันทุกวันที่เปิดวัดวันหนึ่งท่านกวาดวัด ท่านกวาวว่าท่านเห็นว่าจิตของท่านไปอยู่ที่ใบไม้พอเห็นว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ใบไม้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาฉับพลันเลยนี่ของเก่าท่านก็เคยมีสร้างสมมาพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บขันแยกเลยขันแยกอันตโนมัติเลยเห็นกายส่วนกายใจส่วนใจนะสุขทุกข์ดีชั่วแยกกันหมดเลยนะนี่ถ้าไม่แยกก็ต้องหาวิต้องต้องเรียนวิธียกอีกนะแต่ขั้นแรกต้องให้ใจตั้งมั่นก่อน วันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะเรียนวิธีฝึกให้มีสติฝึกให้มีศีลฝึกให้ใจตั้งมั่นวิธีฝึกให้มีสติก็คือรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ไปด้วยเดี<ตลง>๋ยวสติเกิดเองพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองพอ<ตลง>มีสติแล้วคอยรู้ทันกิเลสกิเลสได้รเกิดรู้ทันกิเลสอะ้เกิดรู้ทันนะมึนจะได้ศีลแล้วก็จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งอะไรนะ รู้ทันเคลื่อนไปหาเนยรู้ทันสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็ ค, คือจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนนั่นเองโดยไม่ได้บังคับจิตที่ตั้งมั่นจะมีสองพวกพวกหนึ่งเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนลนะ้มันจะตั้งมั่นพอตั้งแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าบางคนพอปฏิบัตินะพอจาจำให้จิตที่ตั้งมั่นได้อยู่ๆก็จงใจทาให้ตัวนี้ขึ้นมาเลยมันจะเป็นผู้รู้อยู่นะ แต่ว่ามันไม่เบิกบานนะจะทื่อๆไม่มีความสุขนะตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติธรรมดารู้ตื่นเบิกบานถึงอว่าเป็นพุโทโธตัวจริงพุโทโธแปลว่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราเนี่ยแหละคือพุโทโธนั้นเราพยายามมาฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วพุทพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นเอง ก็ได้พุโทโธแล้วคราวนี้ก็มาเดินปัญญาแล้วด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเดี๋ยวไม่ว่ากันผู้นี้เรียนมากไปทําไม่ไหวจําไม่ไหวเอาต่อไปส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนหนูขอกันบ้านอีกหกเดือนค่ะฮะขอที่ละหกเดือนเลยเหรอ ส, สามเดือนก็ได้กันบ้านมีข้อเดียว มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นต้องซ้อมทุกวันทําในรูปแบบคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนทุกวันจิตจะตั้งมั่นแล้วก็พาจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซงนะหลักมีข้อเดียวอการปฏิบัติมีเท่านี้แหละนะทําเท่านี้ได้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้ เ็วันเจ็เดือนเจ็ดปีรุ่นเรานะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเ็ดปีได้โสดากรบุญแล้วล่ะก็อินทรียเราไม่แก่กล้าเลยกลับมาอยู่ที่ฐานของกายอะค่ะกายไว้บ่อยๆอะค่ะให้มีความรู้สึกตัวออืค่ะเพ่งไหมตอนนี้เพ่งไหมอยู่ตอนหน้าหลวงพ่อมันเรียบร้อยเกินจริงเกินจริงนะรู้ทันผ่านใช่ได้ ตัวนี้ตัวสําคัญนะจิตที่เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นบางทีหลวงพ่อใช้คำว่าจิตมันถึงฐานจิตมตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่เคลื่อนออกไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับนะตัวนี้สําคัญถ้าบังคับได้จนแน่นอเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ดูอ อ, ออกบ้างไหมออกบ้างไม่ออกบ้างครับ <laughs> ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติหรือจิตผิดธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติขณะนี้จิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานครับอืพยายามน้อมกลับเข้ามารู้สึกกายรู้สึกใจนะเงั้นจิตจะออกนอกไปว่างอยู่ข้างนอกพวกที่ดูจิตดูจิตนะถึงจุดหนึ่งพอเราดูจิตเห็นจิตเกิดดับได้จุดหนึ่งเนี่ยพอสมาธิไม่พอเนะจิตจะเคลื่อนออกข้างนอกแล้วไปว่างอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่ง ไม่ต้องกลัววิปัสสนูนะต้องเจอทุกคนที่ทําวิปัสนานี้วิปัสสนูตัวนี้เรียกว่าอุพาสสว่างว่างสบายนะแต่ว่าจิตไม่ถึงฐานถ้าเมื่อไหร่จิตเข้าถึงฐานเมื่อไหร่นะวิปัสสนูทุกชนิดหายหมดเลยนะั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทําวิปัสนาแล้วสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะเกิดเป็นทุกคนแนหะก็ให้รู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าบ้านจิมอยู่ข้างนอกไม่ดึง ถ้าดึงเราจะแน่นต้องเป็นอยู่ทุงฐานโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ให้รู้ทันจิตที่ออกนอกจิมจะเข้ามาเองอ้าต่อไป เ, ออเมื่อเมื่อวานนี้ก็ทําในรูปแบบได้นานขึ้นอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกตัวแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ารู้สึกถูกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเพง่งหรือไม่เนี่ย<ป>ค่ะถ้าเพ่งมันแน่นมาก แน่นนิดหน่อย <c oughs> เพ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรใหม่ๆต้องเพ่งทุกคนเลยแล้วเราทํารูปแบบเยอะๆเรามีเวทนาคือดูตรงนั้นได้ใช่ไหมคะเวทนาเกิดขึ้นนะก็ศึกษว่ารู้ว่าเห็นหมายถึงว่าเห็นเวทนานะแล้วรู้ทันจิตแล้วอย่างความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบความสุขเกิดขึ้นจิตชอบรู้ทันจิตเท่าไหร่อ้ <c oughs> อาวต่อไปไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ครับ ไม่ได้เรื่องก็ต้องทำเอาครับผมนะอย่าเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะสมาธิก็ต้องแยกชนิดให้ถูกสมาธิที่เขาสอนสอนกันนะ่ะมันสมาธิสงบเท่านั้นเองสมาธิสงบมาเอาไว้พักผ่อนสมาธิตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาใฝนะึกเหมนั้นทุกวันเราทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะ่สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นไปทำเอานนะ้นอย่าขี้เกียจ หลวงพ่อผมไม่ได้ส่งมา6เดือนแล้วครับวิเครารู้สึกว่าสมาธิมันด้อยลงนะครับหลวงพ่อครับได้ลงได้อยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหยครับว่าซึ่งมันตั้งมั่นน้อยลงแต่ผมปฏิบัติในรูปแบบตลอดทุกวันเลยนะครับแต่รู้สึกว่าว่าคือช่วงที่ผ่านมาอย่างสองสาเดือนหลังเนี่ยมันมันตั้งมั่นน้อยลงเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวไว้เป็นเพราะอายุด้วยหรือเปล่าครับเป็นเป็นอายุเนี่ยตัวสําคัญเลย ถึง48หรือยัง51แล้วครับโอ้ได้มาตรฐานแล้วครับ <laughs> คนโบราณเขานับเป็นรอบๆนะฉลาดมากเลยนะนรอบๆของคนโบราณนะหนึ่งถึงสิบสองเนี่ยเด็กใช่ไหมสิบสามถึงยี่บสี่เนี่ยช่วงที่กำลังเติบโตยี่บห้าถึงเท่าไหร3สามสกใช่ไหมพวกนี้มันโตเต็มที่ไปแล้วนะพวกนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยโตเต็มที่ไปแล้วนะ จิตใจกำลังพัฒนาอยู่สติปัญญาเนี่ยพัฒนาเต็มที่ในช่วงนี้อย่างพระเจ้าบรรลุตอนส5้าแล้วพอ37ถึง48เนี่ยนะพวกนี้เข้าขั้นกลางผลนแล้วพอ49ขึ้นเนี่ยเข้ายุคเสื่อมแล้วอะไรเสื่อมก่อนสติปัญญาเสื่อมลงแล้วนะนั่งเฉยๆก็ซึมเลย สมองอะ่ะสมองมันเสื่อมลงนมานั่งนิ่งๆก็ซึมต้องเคลื่อนไหวไว้พอถึงหกสิบเนี่ยมากกว่านั้นอีกคราวนี้ทางร่างกายนะเยอะแยะเลยหูตาอะไรที่ควรตึงก็หย่อนอะไรที่ควรหย่อนก็ตึงข้างกายเลยเนี่ยอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะตึงก็หย่อนใช่ไหมอะไรที่ควรจะหย่อนอย่างแข่งขาเนี่ยควรจะหย่อนยกขาแข็งไปสุดแล้วตึง เกินกวนั้นยังไม่รู้ยังไม่ถึงเพราะฉนั้น <c oughs> ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาหรอกเคลื่อนไหวไหมขอบพระคุณครับอย่านั่งนิ่ง <c oughs> นะหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะเคลื่อนความมีพัดอยู่กันตอนมาบวชเนี่ยพอจะได้ออกบวชอายุสี่สิบแปดแล้วนะแล้วพ่อนํา ม, มาเต่ดเด็กนะขนาดนั้นสมองมันเริ่มถดถอยลงบ้างแล้วนั่งแล้วมันจะหลับเอาเหนื่อยเหน่อยเน่อยก็จะหลับ ถึงเวลาหลับมันก็จะตื่นถึงเวลาควรตื่นมันจะหลับโอ้เอาอะไรกับมันนะ่ะนั่งขยับไปอย่างนี้เนละนั่งพัดไล่แมงวีแมงวันได้ด้วยนะถ้าหน้าหนาวเราก็พัดเี้ยนะให้มันเคลื่อนไหวนะไม่งั้นมันหลับโมหะนิวรณนแกทกสมาธิมันเลยตกค่ะกาบส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบสองปีนะคะ <c oughs> ทั้งก่อนหลวงพ่อให้ไปดูตัวที่โล่งว่างข้างหน้า<ม>ก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศนะคะตอนแรกทันทีที่ช่วงแรกๆมันก็มันก็คิดเหมือนพยายามจะคิดสภาวะนั้นแต่ว่าแค่สักพักเดียวจิตเหมือนมีนิสัยใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงขอให้ใช้เทคนิคเดิมคือว่าให้เรามารู้สึกตัวค่ะก็แล้วพอเรารู้สึกตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันเบาแล้วมันก็ไม่ได้สงสัยอะไรต่อก็ใช้วิธีนี้เรื่อยๆใช่ได้นะ จะกลับมาที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาจิตไม่รู้สึกตัวคือจิตส่งอกนอกนั่นแหละแล้วตอนนี้รู้จกักอะไรใช่ไหมที่ไปติดโล่งว่างก็คือลักษณะของจิตเนี่ยที่สังเกตอ่ะก็คือมันจะคล้ายๆกับนิสัยเราเองเนี่แหละคะ่ะคือเหมือนว่าเราจะชอบเรียนรู้ชอบสังเกตอชอบทดลองอบางครั้งเนี่ยไปจมกับสภาวะที่แรงๆสักอย่าง มันเหมือนมีจิต อ, อีกดวงหนึ่งผุดขึ้นมาตรงกลางแต่ว่ามันจะสลับความรู้สึกเหมือนจะสลับระหว่างที่ถูกดูดติดไปกับอารมณ์นนะักตัวค่อยเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกนะแต่ว่าฉลาดตรงที่เห็นว่ามันคนละดวงกันค่ะแล้วจิตที่รวมก็ดวงนะจิตที่แยกก็อีกดวงใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสภาวะหายไปแล้วแต่จิตเหมือนกับเขายังไม่พ อ, อคือเราเราดูเขาทํางานเราไม่ได้ห้ามเขาเหมือนกับพยายามจะคิดเหตุแบบเดิมเพื่อที่จะทวน ทวนว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนจะจำอย่างเงี้ยค่ะถูกแล้วล่ะห้ามมันไม่ได้นะก็ไม่ได้ห้ามก็คือปล่อยเขาทํางานไปตามมันเป็นจริตนิสัยนะหลวงพ่อก็เป็นแบบนี้แหละเห็นสภาวาสะสักอย่างหนึ่งนั้นดูมันดับไปนะต้องทวนนะทวนจนกระทั่งเข้าใจมันเข้าใจว่าสภาวะนี้คืออะไรนะมันเกิดมาเพื่ออะไรมันทํางานอะไร <Okay. S 2> มันทํางานแล้วมีผลยังไงมันเกิดจากอะไร เขาเห็นจนถึงขั้นว่ามันเกิดจากอะไรนะใจถึงจยอมเข้าใจไปแล้วเหมือนเหมือนกับบางครั้งเราก็ปล่อยเขาทํางานจนเขาพอเขาพอเขาก็เขาก็หยุดแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นเออนั่นแหละทําถูกแล้วนะใช้ได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่คิดว่าในรอบปีนี้ ท, ที่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์หนักๆเราจะรู้สึกว่าเราภาวนาดีคือสังเกตทุกทุกหนักๆเนี้ยจะดีเทคได้ง่ายกว่า แล้วเวลาสุกหรือว่าเฉยๆเนี่ยมันจะอ่อนและละเอียดกว่าแต่พอเราเริ่มภาวนาไปเรื่อยๆเราก็สนุกกับการภาวนาค่ะก็เริ่มจะเห็นลักษณะตรงนี้แยกออกมาค่ะดีตรงที่เราสนุกกับการภาวนานะเกิดฉันทะน ะ, ะพอใจที่ภาวนาพอฉันทะเกิดวิริยะคือมันขยันดูเองอะมันชอบดู พอวิริยะเกิดนะมันขยันดูบ่อยๆนะจิตมันก็จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แหละไม่วอกแวกไปอย่างอื่นค่อยเรียนรู้ตัวเองไม่ไปสนใจเท่าไหร่ตรอข้างนอกนะไม <Okay. S 1> ่มีจิตตะแล้วก็เวลาอะไรเกิดขึ้นนะจิตทก็ค้นคว้าเคล้าวเคลียอยู่กัน น, ะนะนั้นนะเรียกว่าวิมังสานะ <Okay. S 1> อันนี้เรียกว่าธรรมะอันนี้เรียกว่าอิทธิบาทสีถ้ามีอิทธิบาทสีก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าในเรื่องอะไรนะเพราะฉั้นอยู่ที่ว่าใจเรามีความสุขที่ได้ปฏิบัติไหมเราพอใจที่จะปฏิบัติไหม ถ้ามีความสุขมีความพอใจแล้วไม่ไปติดสุขซะก่อนนะแล้วจิตเดินในอิทิบาทเนี่ยยังไงก็ก้าวหน้าก็กลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็ถวายการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าก็ครูบาอาจารย์เป็นพุทธบูชาบูชาบูชาแล้วก็เทวดาด้วยอ่ะแล้วไม่ให้เปรตบ้างหล่ะเปรตด้วยเออนะบางญาติเราบางทีก็เป็นเปรตว่ามีนะค่ะนิดนึงค่ะหลวงพ่อลักษณะที่เรียนรู้ขึ้นมาใหม่ก็คือ ตอนเราไปรู้อะค่ะมันจะมีลักษณะแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเรารู้เบาๆลักษณะจะเป็นลักษณะโปร่งๆเหมือนเราไม่ได้รู้อะไรแต่มันสบายอย่างนั้นเออรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจงใจนิดหน่อยคือลักษณะจงใจนิดนิดนึงเราก็แค่รู้ทันไปอีกทีว่าอ๋อแบบนี้เราก็ไม่ได้ห้ามก็คือไม่ห้าม ก, ก็คือรู้ไปตามอย่างนั้นใช่รูอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละถูกแล้วละบางทีมันไม่มีอารมณ์หยาบนะที่ศักว่ารู้ รู้อะไรยังไม่รู้เลยรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยสุดยอดรู้เลยนะแต่ว่าจิตมันจะล่าเริงอะค่ะก็คือค<ร>ล้ายๆว่าแม้กระทั่งบางทีทุกข์อยู่ทุกข์อยู่ตรงหน้าแต่ว่าพอจิตที่มันว่าเป็นอะไรเป็นช่วงๆมันรู้สึกเหมือนมันล่าเริงอะค่ะ<ช>นี่แหละหลวงพ่อก็เป็นนะตอนพ่อตายพ่อของหลวงพ่อตายนะจิตล่าเริงมากเลยไม่ใช่โมรดกนะแต่ว่ามันล่าเริงล่าเริงในธรรมะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนละ้วมันมีความสุขอยู่ได้นะรับราชการค่ะหลวงพ่อหกสิบพอดีเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มันทุกกายทุกใจมากรู้สึกว่าตั้งใจจะภาวนามาตลอดนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองก็ทําผิดมาตลอดเหมือนมันภาวนาผิดอยา ก, กลัวนะะถ้าไม่ภาวนาผิดมากกว่าคถ้าผิดแล้วต่อไปเรารู้ว่าอย่างนี้ผิดนะั้นมันก็ไม่ผิดอีก ช่วงนี้กายใจมันถูกกระทบแรงค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะไปโดนโดนหนตามากแต่แล้วนีดูไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไรว่าทำไมเราถึงทุกข์ขนาดนี้ที่แท้เหมือนตัวตนเราถูกถูกทำลายอะไรแบบนี้นค่ะออมันเลยรู้สึกมันจ่อยมากดีนะ <laughs> จ่อยๆอย่างเงี้ยดีดีกว่าซา <laughs> <laughs> <laughs> จ่อยกับซาเนี่ยกลับข้างกันค <laughs> ่ะมันยังไม่พอใจใช่ะคะเออนะให้ไปดูนะ <laughs> ไม่พอใจที่จ่อยค่ะ ไม่พอใจสภาวะไม่มีความสุขกับปัจจุบันที่จริงเนี่ยเราสามารถมีความสุขได้นะถ้าใจเราไม่ปฏิเสธสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเช่นแก่รู้ว่าแก่ไม่ว่าอะไรร่าเริงแก่แล้วก็มีความสุขได้นะไม่ทุกข์หรอกพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่สมหวังลูกดือ้อไม่ฟังเราอีกต่อไปอะไรเงี้ย เราอยอมรับได้ถ้ายอมรับได้ไม่ทุกอยอมรับไม่ได้เราทุกา ก, การทำพิธีการขอวงพร่อเจ้าค่ะมีอะไรดีๆม า, า, าอวดบ้างเป็นดีเป็นปกติคือภาวนาแล้วไปเห็นตัวรู้เนี่ยมันไปรู้ตัวรู้อีกทีหนึ่งออตัวรู้ตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวรู้ที่เข้าไปหลงในความรู้นั้นเ อ, อแล้วตัวรู้ตัวเนี้ยมันซ้อนกันอยู่เจ้าค่ะ เราอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้น ะ, ะมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเลย อ, อเรียกว่าวิญญาณเป็นอ น, นออนะันต์งั้นเวลาเจอตัวรู้เราแค่รู้ว่ามันมีอยู่เราจะไปจ้องใส่ ม, นะมันนะจจาะถ้าจ้องแล้วจะซ้อนซ้อนซ้อนไม่มีที่สุดเลยก็เพราะว่า ต, ตอนแรกไม่ไ ม, ไม่รู้หลวงพ่อบอกตั้งหลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าตัวรู้ที่เราไปรู้นะ่ะเอ้าตายเป็นหลงไปแต่นี้มาอยู่ ปฏิบัติปกติแต่ว่ามันไปเห็นไอ้ตัวที่มันมันเทียบเสมือนว่าอยู่บนหัวเราอีกทีนึงมันดัดมันก็ไปรู้ไอ้ตัวรู้นี้มันซ้อนกันเจ้าค่ะไอ้ตัวนี้ก็ห้ามไปดูนะถ้าไปดูตัวเนี้ยไปไกลเลยค่ะมันจะรู้เองรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ยุ่งกับมันเจ้าค่ะแล้วก็เอ๊ะตอนแรกเคยไม่ไม่รู้เอ๊ะมันยังไงมันมายังไงตัวนี้ของหลวงพ่อตายไปแล้วโอ้เจ้าค่ะ ก็เลยมาเห็นว่ารู้มันซ้อนเข้าไปในความรู้อีกตัวที่มันไปรู้เนี่ยไอ้ตัวนั้นกลายเป็นตัวถูกรู้ใช่ไหมแล้วตีแรกเราถึงว่ารู้อยู่ที่แท้เป็นตัวหลงนะใช่ไม่ลอกๆอกใช่แล้วใช่แน่นอนนี่ต้องคุยกันอย่างนี้ถึงจะม่วนเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไปเห็นข่าวค่ะปฏิบัติธรรมดาัอย่าไปจับตัวนี้นะ ไม่จับเจ้าค่ะเพราะว่าตัวนี้มันนานๆมันจะเหมือนกับคนแอบดูแล้วมันมารู้ของมันเองเออต้องแอบแอบดูมันเหมือนคนแอบดูแล้วอยู่บนเหนือเหนือศีรษะเราสมมติเปรียบเทียบใช่แล้วตอนนี้ไอ้ที่มันรู้รู้สภาวะเยอะแยะเนี่ย <c oughs> มันไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันแอบดูอยู่แล้วทำไมแกถึงรู้อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้ น, นะค่ะก็เลยไปเห็นไอ้ตัวนี้ตัวแอบดูเนี่ยเจ <c oughs> ้าค่ะ <ด>มันซ้อนกันค่ะใช่ถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วพ อ, อตัวนี้สลายไปมันมีอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นไม่สาราบทำไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีๆไปทำต่อครับนมัสการครับหลวงพ่อว่าไงคือ <c ười> มันเหมือนจะพูดไม่ถูกครับ <c ười> คือมันเป็นนงครับหลวงพ่อคือผมรู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยจะทันกับ สภาวะข้างนอกอะครับมันเป็นยังไงเมืนเวลาเป็นบางครั้งครับเวลาสายตา ม, มองอะไรไปมันไม่รู้ตรงที่มองนะครับ้ก็จะมารู้สึกตรงที่จิตนะครับอ๋อแต่ว่ามันมีการส่งสัญญาณจากที่มองเข้ามาที่จิตไหมไม่ครับบางครั้งไม่ไม่ส่งครับถ้าอย่างนั้นจิตมันไปติดสมาธิอยู่ข้างในนะข้างนอกเนี่ยมันคล้ายๆไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยนะ ร, รู้อยู่ที่จิตอันเดียวหมกมุ่นข้างในเยอะไป ออกมาข้างนอกบ้างเ ป, เป็นบางครั้งะครับบางครั้ง ท, ที่เป็นอย่างนั้นเออถ้าบางครั้งไม่เป็นไรถ้าอยู่ทั้งวันล้วก็ติดสมาธิอยู่ข้างในครับนะมันจะไม่สนใจโลกข้างนอกเลยครับถ้าทำถูกต้องนะตามสูตรเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์แล้วส่งสัญญาณเข้ามามาแปลมาเกิดความรู้สึกมาอะไรขึ้นนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็มีสติตามรู้นะครับ อย่างนั้นก็ก็เห<อ>็นอยู่ครับแบบนั้นแต่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งที่เห็นนี่ก็คือเวลาทางานอย่างนี้ครับอันนั้นมันสมาธิมันนำไปครับนะพอสมาธิมันนำนะคล้ายๆโลกนี้ว่างเปล่าแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจมันรู้อยู่ข้างในอันเดียวนะถ้าเ ว, เวลาทีอา่อยู่ในรูปแบบหรือว่าเวลาที่รู้ทันเป็นปกติรู้สึกว่าจิตมันจะทวนไปดู กิเลสตัวที่อยู่ลึกๆครับตัวที่เป็นเหมือน อ, อนุสัยหรือว่านิสัยเราครับเราเราไม่จงใจนะถ้าเขาัวนเองใช้ได้ถ้าจงใจใช้ไม่ได้เลยฟุ้งซ่านรเรียกฟุ้งในธรรมะรขยันภาวนานะาชีวิตเราจะมีความสุขเอาเชินกับบ้าน